สินหาสินหาเป็นพมจันเบื้องต้นของมพระศาสนศาสนารักษาศีนก็คือรักษาตัวเองนั่นเองก็คือรักษาใจเรานั่นเองเพราะสินหามารวมอยู่ที่ใจถ้าใจรักษาดีเขาไม่ร่วงละเมิดกายวายจาไม่เป็นปัญหา ถ้รักษาสินหน้าให้บริบูรณ์สินหน้าก็เป็นเชือกห้าเกลียวมารวมอยู่ที่ใจแห่งเดียวต่อไปนี้ก็ว่านะโมนะโมก็แปลว่านอมน้อมพระสมณะพระพุทธเจ้าว่าถึงสามครั้งก็นอบน้อมพระสมณะพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งทีนี่ทุติย ต, ติถึงว่าพุทธธรรมระมสงค์จนจนถึงสามครั้งก็ไม่ว่าแต่สามครั้งแหละอันนี้เราว่าพอให้มเหมาะกับเวลา ถึงจะระลึกได้ไม่นึกได้ก็ดีก็ถึง พ, พระพุทธพระสองฆ์อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณไม่ว่าแต่สามครั้งละสถานะขบันนางในที่ต่างก็แปลว่าจบในสนาคมเพียงเท่านี้ว่าอย่างนั้นแต่ว่าพิสดารถ้าเพียงไหนก็จบเพียงเท่านี้นะโมทัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทตะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทะนะโมัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทะ พุทธังสรณังคาชามิธรามังสะรณังคาชามิทุติยมปีพุทธังสะรณังคาชามิทุติยมปีธรรมังสรณังคชามิทุติยมปีสังขังสะระณังคาชามิ ตัดทยัมป พ, พุทธังสระนังขจามิตัดยัมปิธรรมังสระนังขจามิตัดยัมปิสรงกังสระังขจามิสระัก ข, ขมั น, นังเนตีตังปานวัติปัตาเวระมณีสิขาปัจจังสมาทิยามิ อตินนาทานเวระมณีสิกขาปัทังสัมาทิยามิกาเมสเมชชาชาราเวระมะนีสิกขาปัทังสัมาทิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิ สุราเมระมชะมชยาปมาทธานาเวรมณีสีคารัังสมาธิยามิอิมาเมมาป น, าา ป, านาปัญจศิขาปทานิสีเรนะสุขติงยันติสีเรนระโพคสัมปทาสีเรอะนี้โพติงยันติตัดสมาสีลังวิโสตะเย campo ah. แล้วเดี๋ยวอตาตมาจะว่าคนเดียวว่าคนเดียวไม่ต้องว่าตามเล้วไอมาีิม า, าสกุลกีว า, านิสัพปรวาลานิสังคสสะปฏิคันหาตุรับเพื่อสูงไม่ได้รับเพื่อตนคนเดียวเอาละทีนี้แล้ ว, วทีนี้ประโลกะเอาเอามาเคนนี่ชุกเข้ามานี่ยเคลื่อนเข้ามา ขยับมาเออให้ได้ทัฐธบาทพระทันบาทพระเออพรต้องอปรโรกแค่ก่อนอัปรโรกกรรมถ้าไม่อปรโรกสังฆกรรมก็ไม่ครบสี่ก็เป็นสังฆกรรมสามสังฆกรรมสี่มีในพระมีในของพระถ้าเว็นอปรโรกกรรมแล้วสังฆกรรมก็ไม่ครบสี่อืม ตัวนี้ก็อนขอรั้่บาถ้าว่าระุเจ้าตการกสกัการใดขอได้พีาป่อด้วากกนคุณประโมดคุณประโมดมาเก็บไหว้ท่าก่อนแล้วพวกนี้จะเอาให้ปู่สมดี ถ้าจะให้ผู้ยญิงไปเก็บเยอะไปเอน็นอันอันตรายอให้ผู้ให้ผู้ชายเก็บนะผ้ามาผ้ามาผ้ามาเนี่เอามาด้วยเออเดีะๆนี่มีอยู่นี่เอา น, นี่มั้ยอนนี้นทีนี้พวกเราเกิดมา เพราะพระพุทธศาสนาอยู่ที่ดวงใจของเราเราก็สมัครเป็นทหารสมัครเป็นตำรวจสมัครเป็นทหารคืออาจฐานในความดีของตนที่จะพึงทำได้ตามสจตีกำลังเป็นตำรวจตรวจดูจิตดูใจของตนว่ามันมีพระพุทธศาสนาอยู่ที่นี่ไหมเรียกว่าตำรวจเรียกว่าทหาร อาจฐานต่อความดีของตนที่จะทำให้เกิดให้มีคนเราใจถึงทุกคนใจถึงทางดีก็อาจฐารไปในทางดีใจถึงทางชั่วก็อาจหารไปทางชั่วผลของกรรมไม่ต้องการประสงค์ก็ได้รับตามส่วนควรค่าของเหตุที่สร้างขึ้นทางดีก็เหมือนกันทางชั่วก็เหมือนกันเมื่อสร้างความดีลงแล้วผลไม่ต้องประสงค์ก็ได้รับตามส่วนควรค่าของเหตุที่สร้างขึ้น มาเองคือมันเป็นของทิพย์เป็นโลกทิพย์มันทิพย์อยู่ที่ใจของเราเหตุสร้างขึ้นที่ใจผลที่รับเหตุก็เกิดขึ้นที่ใจไม่ได้เกิดขึ้ น, นที่ธาอากาศไม่มีใครมาแย่งทําเหตุนอกจากคิตใจแล้วและผลของเหตุก็ไม่มีท่านผู้ใดจะมาแย่งรับอีกตาหูจมูกเลื่นกายมันก็ไม่ได้มาแย่งรับก็ใจมันผู้รับทั้งนั้นใจจะปฏิเสธให้ตาหูจมูกเลื่นสะเพียงไหนก็ตามมันก็ปฏิเสธ รับลมแรงเพราะเขาไม่รับเพราะเขาไม่ปัดด้วยตาเอ๋ยตาเอ๋ยเธอเป็นตาไหมเราจะใส่ชื่อหรือนามให้เธอเขาก็ไม่รับด้วยเขาก็ไม่ปัดด้วยหูเอ๋ยเธอจะใส่ชื่อให้เธอเธอจะรับไหมรับเขาก็ไม่รับปัดเขาก็ไม่ปัดจมูกก็เหมือนกันริ้นก็เหมือนกันกายก็เหมือนกันดกดวงใจก็ใส่ชื่อหรือนามของตนว่าใจใจใจใจถ้าไม่รู้เท่าใจแล้ว ก็เป็นทุกข์อยู่ที่ใจตามส่วนควรค่าของเหตุที่รู้แล้วไม่รู้จะรู้ตัวไม่หรือไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นปนัญหาจะทิ้งเหตุทิ้งผลไปให้ดินฝ้าอากาศเขาก็ไม่รับทิ้งแบวนลมๆแรงๆเขาไม่รับเขาไม่ปัดตนเป็นผู้ฟ้องฟ้องตาฟ้องหูฟ้องกะมะกฟ้องลิ้นฟ้องกายทีนี่ฟ้องดีก็ดีฟ้องไม่ดีก็ติดคุกก็ตนเป็นผู้ติดคุก เขาไม่รับเขาไม่ปัดด้วยตาเอ๋ยเธอจึงเป็นสมบัติของข้าเนะครับผมอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ไม่ว่าหูเอ๋ยจมูกเอ๋ยเลี้ยงเอ๋ยกายเอ๋ยใจเอออกายเอ๋ยหรือทุกสิ่งทุกอย่างในสะคนร่างกายเนี่ยข้าพเจ้าเป็นหนังข้าพเจ้าเป็นผมข้าพเจ้าเป็นขนข้าพเจ้าเป็นเล็บข้าพเจ้าเป็นฟันท่านใส่ชื่อเรือนามให้ ถ้าไปเจ้าแล้วว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเกื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผือไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าท่านใส่ชื่อหรือนามให้ข้าแล้วข้าไปเจ้าก็จะได้รับตามส่วนคนข่าของเหตุที่ท่านใส่ชื่อหรือนามให้ข้าไปเจ้านั้นแหละเขาก็ไม่รับเขาก็ไม่ปัดเพราะมันเป็นสมมุติก็จริงตามสมรรมุติปรญญามัดก็มัดเข้าที่กายว่าใจาใจสมมุติก็มุติ สมมติเข the ้าเทกายวาจาใจณโมก็นอบรอมเทกายวาจาใจถ้าพูดเป็นสามกระทู้พรากระทูของกายกระทู้ของวาจากระทู้ของใจเทศก็เทศเรื่องกายเรื่องวาจาเรื่องใจจะไม่เทศเรื่องอื่นก็เป็นไปไม่ได้พระหลงก็หลงกายหลงก็หลงวาจาหลงก็หลงใจถ้าไม่หลงก็ไม่หลงกายก็ไม่หลงวาจาไม่หลงใจ ถ้าข้ามก็ข้ามทะเลหลงอันนี้ถ้าไม่ข้ามก็ไม่ข้ามทะเลหลงอันนี้ถ้าแพ้ก็แพ้อันนี้ถ้าชนะก็ชนะอยู่ที่เมืองใจเมืองกายเมืองวาจานี่ถ้าถูกแพ้ก็ถูกแพ้อยู่ในที่นี้พญยายจิตตลาดมาท่องเที่ยวในเมืองตาเมืองหูเมืองจมูกเมืองลิ้นเมืองกายท่องเที่ยวในธรรมารมในเมืองธรรมารมเอกนี่ เมื่อยังไม่เหมือไม่นายก็มาท่องเที่ยวอยู่นี่เองเกิดราคะโทสะโมหะ ก, ก็เกิดขึ้นในทีน่นี้ว่าตาหูจมูกเล่นกายใจยไม่ได้สมประสงค์หรืออะไรไม่สมประสงค์ก็เกิดวุ่นวีนวายกันอยู่ที่นี่ถ้าสมประสงค์ก็ติดอยู่แต่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นแน่แปรปรวนแตกสาขอยู่ใต้อานาจอนิจจังโลกภายในคือตาหูจมูกเล่นกายใจโลคภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสปุถะพระธรรมารมณนอกจากนั้นไปเป็นจักรวาล ยน่นโลกเข้ามาแล้วหากายวายใจยน่นเป็นสามยน่นเป็นสองก็กายคับใจยน่นเป็นหนึ่งก็คือใจเพื่อให้เข้าใจง่าง่า ย, ายจะทำดีก็ใจเป็นผู้ทำจะทำชั่วก็ใจเป็นผู้ทำเมื่อทำแล้วจะปฏิเสธให้ใครเล่าก็ปฏิเสธไม่ออกก็เจ้าตัวทำทำใดใครก่อก็กคือมนโนกรรมเป็นผู้ก่อกุกมนโนกรรมก็เป็นผู้นรับสิส่วนทางดีทางชั่วทาใดใครก่อก ที่เขาเขียนไว้ในโลกทิพย์ก็มโนภาพเป็นผู้ก่อขึ้นถ้าก่อขึ้นดีก็เป็นเรื่องของความดีถ้าก่อขึ้นชั่วก็เป็นเรื่องของถือไม่มีใครมารับรองคนเดียวไม่มีญาติไม่มีมิตรจิตใจอันเดียวไม่มีญาติไม่มีมิตรตาหูจมูกลินเขาก็มายอมเป็นญาติแท้เขาไปยอมเป็นเป็นมิตรแท้ถ้ามันฟางแล้ว มันก็ไม่สามารถจะนำภาษาเข้าไปให้เห็นหูเมื่อมันไม่ได้ยินจิตจะไปดูไปดา่ามันมึงไปไหนมึงจึงไม่ไม่รับสัมผัสมาให้กูมึงจึงไม่ส่งเมย์มาให้กูจะไปดุมันก็ดูไม่ได้กายเมื่อมันไหวติงไปมาไม่ได้จะไปดุให้มันมันก็ติงไม่ได้ไหวริงไปมาไม่ได้นั่น ก็มีแต่ใจกับธรรมารุมเป็นทจ้ึ่งของตนเท่านั้นนึกไปในทางดีก็เป็นเหตุดีผลดีแก่ใจนึกไปทางชั้วส่วงเสริมทางชั่วก็เป็นเรื่องของใจอันอื่นไม่ได้มารับด้วยไม่ได้มาแย่งไม่ได้มาชิงด้วยนั่นนั่ น, น, นที่ไหนนั่นอยู่ที่ใจนี้ก็อยู่ที่ใจทำไมจึงพิจารณา ในสักกลในร่างกายเพราะจิตใจมาหลงสกุลในร่างกายหลงส ก, กุละรูปและเวทนาทัญญาสังขารวิญญาณสิ่งเหล่านี้แหละหลงก็หลงอยู่ที่นี่ถ้าไม่หลงก็ไม่หลงที่นี่โลกทั้งหลายยนต์มานี้ที่นี่แล้วเรียกว่าอัจฉ ต, ตาโลกโลกภายในโลกภายนอกคือท่านผู้อื่นสัตว์อื่นเรียกว่าพ่างยิตาโลกอัจฉติยะทำมาก็เติมคือทำภายในทํากายทําวาจาทําใจนี่เอง พวกทำกายพวกนั้นท่านใส่ชื่อรือนามว่าทำกายทำกายก็มีใจเป็นหัวหน้าอะไรก็ทาใจทั้งนั้นนหะจะว่าทำวาจาก็ถูกจะว่าทำใจร้อร้อนก็แล้วหมดทั้งกายทั้งวาจาเพราะใจเป็นหัวหน้านั่นสิ่งเหล่านี้ใจไปสมมตุติเอาเขามาเป็นเมืองขึ้นของตน<ม>เขาจะสรงสวยตนขนาดไหนอยู่ขนาดใดมันก็มีสมประสงค์จิตใจเอง ห้ามไม่ให้แก่มันก็แก่ห้ามไมให้เก็บมันก็เก็บห้ามไมให้ตายมันก็ตายห้ามไม่ให้แก้มตอบฟันหักมันก็ห้ามไม่ได้หัวหูวตึงแก้มตอบฟันหักหูตึงเหี่ยวคลอมงอมลงพญาชิตราชก็บังคับไม่ได้ไม่สมประสงค์ร่างกายเปรียบเหมือนรถ เวลาธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมันไม่บริบูรณ์ให้มึงไปซะไปตีบางโคลมันหรือไปตีที่ไหนมัน ก, ก็เขลเคลดอยู่เฉยๆมันก็ไม่ไป เ, ออเวลาเราเจบปวกเวลามันเจ็บปวยลงพอช่วยได้มันก็ช่วยพอช่วยไม่ได้บอกใครมันไหวติงไปมามันก็ไหวไม่ได้มีแต่เจิบใจอันเดียวรู้อยู่เอาหน้า ม, มาให้ดื่มบ้างทรงคารุณาเอาหน้า ม, มาให้ดื่มบ้าง พูดก็พูดไม่ออกออกไม่ถูกเพราะเหนื่อย น, นี่ทรงการุณาเอากระดาษมาเช็ดให้ด้วยถ่ายแล้วเดี๋ยวนี่ เ, เต็มทวารหนักเต็มทวารเบาก็พูดไม่ได้เสียแล้วอันพูดได้ก็ไม่สำคัญเออเอาน้ามาให้ดื่มด้วยช่วยพยุงตัวด้วยอันนี้ก็ไม่สำคัญยิวอาหารแล้วทรงการุณา เอาอาหารมาให้ทานลองดูดูก็รุณาเอาผ้าไปซักให้ด้วยเปียกแล้วเดี๋ยวนี้อันนี้ไม่สำคัญสำคัญตอนที่พูดไม่ได้มีแต่น้ำน้ำน้ำน้เอาช้อนมาเกืนไม่ได้นา้า ตั้งใจภาวนาตายคาภาวนาเท่านั้นเองถ้าไม่หัดไว้แต่เดียวนี้ไม่ได้เนอเวลาชวนเจ้มาจึงจะหัดเวลาเข้าสงครามจึงจะไปหัดยิงปืนไม่ไหวเนีะเอ่ต้องหัดไว้แต่เดียวนี้นั่นนั่นเรียกว่าทหารเนี่ยเรียกว่าตำรวจเหมือนกันหัดหานต่อธรรมะต่อความปฏิบัติเพื่อพ้ทุกข์ในวัาระสงสารเรียกว่าทหารอื า, ารเรียกว่าตำรวจ ตรวจดูจิตดูใจของตนว่ามันมีบุญทานในวัดศีลวัดภาวนาวัดไว้เรียกว่าตำรวจเหมือนกันเรียกว่าทหารเหมือนกันเรียกว่าทหารรักษาพระนครเหมือนกันพระนักษารักษาพระนครใจอย่าให้มีกามรมะเรตกพยาบาทาวิตกมะฮิงสาววตก ทหารตำรวจรักษาพระนครหลวงคือใจนั่นนั่นนั่นนี่นี่นีนน่นี่แล้วพูดไปอื่นมันก็ยิ่งดืดมันไม่เป็นปัญหาเนะพูดมาที่นี่ละแพร่ก็แพร่กันอยู่ที่นี่สงครามอันตรละสั ง, สงคามโวเรื่องอื่นๆมันเป็นเรื่องนอกหรอกเรื่องอันนี้เป็นเรื่องในแต่ละท่านแต่ละบุคคลเรื่องอื่นมันเป็นเรื่องนิทานทางนอกไม่สำคัญหรอก ถ้าเราท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะทุกษาเราก็จะได้มาเจอมาเจอมาพบมาเห็นอยู่อย่างนี้ทีนี้เราไม่อยากมาท่องเที่ยวในวัฏฏะทุกษาเราจะแก้ปัญหาอันนี้ให้มันตกให้วิญญาณไปิสนันธีเบื่อหน่ายซะอย่าได้มาเกิดแก่เก็บตายในวัตฏะทุกษาเพราะไม่ใช่สมาธิหวงวต่อจะมีปัญญาสัมพยุต์นัาน อาศัยเมืองตาเมืองตาเขาช่วยไม่ได้เราสมมติว่าเมืองตาเมืองหูเมืองจมูกเมืองเล่นมันเป็นเมืองขึ้นพระนครหลวงใจเราก็สมมุติเอาแต่เขาไม่รับไม่ปัดนัดนั่นนั่นครับผมหรือปฏิเสธหรือวางเฉยเขาก็ไมาในปฏิเสธเขากำมาในวางเฉยก็มีแต่เราเออทั้งไข่ทั้งกระตาก แล้วเขาทำเขียนทั้งลบเองตาหูจมูกเปรี้ยงกายไม่ได้มาเขียนไมด้มารบตาก็เป็นจริงตามตาตามสมมตุติหูก็เป็นจริงตามสมมตุติจริงตามปรมาทัตคือเกิดขึ้นแนปรปรวนแต่แตกสลายนดินแตกไปเป็นดินน้ําแตกไปเป็นนา้าไฟแตกไปเป็นไฟลมไปแตกไปเป็นลมบุญไปหาบุญบาปไปหาบาปมรรคผลเนี่พ่านก็ไปหามรรคผลเนี่พ่าน ด้านปฏิบัติหวังพึ่งตนจะไม่จนมุมง่ายหวังพึ่งผู้อื่นก็สมประสงค์บ้างไม่สมปรบสมบ้า ง, างคนเราแต่อยู่ด้วยกันดีๆบอกมันก็ไม่เอาเราจะไปหวังพึ่งคนอื่นมันก็ไม่ถูกรัติเหอัตโนนาโถ ตนเป็นที่พึ่งของตนก็คือใจเป็นที่พึ่งของใจนั้นเองณนะโมกายณนะโมวาจานะโมใจณนะโมใจกระทู้ใจศีลใจสมาธิใจปัญญาใจจะยน่นศีลสมาธิปัญญาลงมาหาใจแห่งเดียวจะย่นกระทู้ลงมาที่ใจแห่งเดียวจยนนะย่นณโมลงมาที่ใจณนะโมก็แปลว่า น้อมๆเทใจเปลี่ยนเป็นมโนนะเดีนี้มโนพรพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนปยาทาทั้งหลายเป็นใจเป็นใจไปมือสีพระธรรมกันก็ขยายออกไปจากใจย่นลงมาก็ย่นมาหายใจรักษาศีลตัวเดียวก็ถูกรักษาสมาธิตัวเดียวก็ถูกรักษาปัญญาตัวเดียวก็ถูกพระพุทธศาสนาสอนในข้ามโลกใจข้ามโลกกายแห่งเดียวก็ข้ามได้หมด จงทำใจให้ว่าจงทาใจให้ว่าถ้าใจมีผู้ยึดถือเอาเป็นเจ้าของใจเขาไม่ว่านั่น น, นัน น, น, น, นั่นอยู่ที่ไหนนั่นอยู่ที่ใจของผู้เทศกับผู้ฟังไม่ได้นั่นออกไปทางอื่นนั่นมีนิดเดียวไม่ได้มีมาก ถ้าใจไม่หลงใจใจก็มันมีสิ่งที่จะหลงเลยถ้าใจข้ามใจแล้วข้ามทะเลใจแล้วข้ามได้ทะเลกายทะเลวายกาข้ามทะเลพุลูด้แ้วกดข้ามทะเลหมดทั้งกายวายกานั่นทะเลใจมันของสำคัญมากมหาสมุดใจมหาสมมุติใจใจมันสมมุติเองมันนั่น ตาหูจะบูกเล่นกายเขามาได้สมมติใจก็ใส่ชื่อหรือนามของตนว่าใจใจใจใจนั้นตาเขาไม่ได้เขาไม่ได้บอกว่าเออท่านมาใส่ชื่อหรือนามให้ข้าพเจ้าว่าตาหูจะบูกเล่นกายแล้วข้าพเจ้าจะไปตอบแทนพระคุณของท่านใส่ชื่อหรือนามให้ท่านว่าใจใจมันก็ไม่ว่าอีกที่ใจไม่มีใคร ใส่ชื่อหรือนามให้ตนก็บอกว่าใจใจใจใจถ้าให้รู้เท่าใจก็เป็นทุกข์หรือใจใจมีชื่อในพระพุทธศาสนาสองอย่างสามอย่างใจแปลเป็นไทยแล้วใจคำว่าจิตก็แปลว่าใจเหมือนกันคําว่ามนัสก็แปลว่าใจเหมือนกันคําว่ามโนก็แปลว่าใจเหมือนกันคําว่าวิญญาณก็แปลว่าใจเหมือนกันอันนั่นเป็นคําภาษาบาลีส่วนแปลเป็นภาษาไทยก็บอกว่าใจอันเดียวเท่านั้นนัด ส่วนในพระบาลีก็บอกว่าวิญญาณวิญญาณคือใจในอนัตตลักษณสูตรก็สมมุติเราเป็นวิญญาณคือใจมณะนะมณ ะ, ะก็คือใจมณัตก็คือใจมโนก็คือใจมนาก็คือใจภาไพาไปพูดเป็นภาษาบาลีถ้าแปลเป็นไทยก็ใจความเดียวเท่านั้นนั่นใจใัยชื่อว่าใจเอง ใช่ชื่อหรือนามว่าใจถ้าไม่รู้เช่าใจ ต, ตอนไหนก็หลงใจตอนนั้นก็หลงธรรมตอนนั้นเหมือนกันนั่นถ้ารู้เช่าใจตอนไหนปฏิบัติใจตอนไหนก็ปฏิบัติธรรมตอนนั้นก็รู้เท่าทําตอนนั้นก็เป็นเหตุเป็นผลอยู่ที่ใจประยัยิก็ยัดลงที่ใจปฏิบัติก็ปฏิบัติที่ใจปฏิเวรตก็คือผลของการปฏิบัติใจนั่น ปริยัตปฏิบัตเป็นสองคือทำํำเนินนุจรองไม่ร่วงรู้ปรองย่างโรคอุดรหนอยตรงข้าขออนอ่อนนุจรมงนกธรรมจำนงด้วยจิตและตายวายใจใครเป็นผู้นบธรรมจำนงก็คือใจนั่นเองนั่นไปหาที่อื่นก็ยิ่งตื่นไม่พบนั่นพาเสใจัอันยอนขยายออกอธิบายออกจนถึงพระนิพพานพระนิพพานคือดับเพลิน ไม่เพลินในโลกสงสารไม่เพลินในจิตในใจไม่เพลินในผู้รู้ไม่ยืนยันว่าผู้รู้เป็นตนตนเป็นผู้รู้ไม่ยืนยันว่าใจเป็นต น, ต น, ต, น, น, ต, นตนเป็นใจถ้าตนมาสำคัญวายใจเป็นตนตนเป็นใจแค่แล้วมันก็ถอนอุปทานใจเหมันกันบางท่านก็บอกว่าทาไมจิงจกะภาวนาให้ข้ามเวทนาได้เวทนาคือสุขทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์ ถ้าสําคัญว่าเวทนาเป็นตนสําคัญตนน้ะเป็นเวทนามันก็ข้ามไม่ได้ถ้าไม่ยืนยันว่าเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนามันก็ข้ามกันอยู่ในตัวทําไมจึงจะข้ามโลกได้ถ้ายืนยันว่าโลกเป็นตนตนเป็นโลกมันก็ข้ามไม่ได้ทําไมจึงจะข้ามสังขารได้ถ้าสําคัญว่าตนเป็นสังขารสังคมสำคัญว่าสังขารเป็นตนมันก็ข้ามสังขารไม่ได้นักงนั่นนน ทำในจึงข้ามโลกทนายยังจะข้ามโลกได้โลกปัจจ anyway. ุบันโลกอดีตโลกอนาคตอดีตคืออะไรคือโลกปัจจุบันที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือโลกปัจจุบันที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือโลกปัจจุบันที่กําลังเป็นอยู่หรือว่าสังขารก็ถูกอดีตคือสังขารที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือสังขารที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือสังขารที่กําลังเป็นอยู่อดีตคือทำที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือทำที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือทำที่กําลังเป็นอยู่ก็มีความหมายเดียวกันนั่นนั่ จะข้ามปัจจุบันได้จะข้ามอดีตอนาคตได้ก็ด้วยไม่สําคัญว่าอดีตอนาคตเป็นต น, นตนเป็นอดีตอนาคตจะข้ามปัจจุบันได้ก็เพราะว่าไม่สำคัญว่าปัจจุบันเป็นตนตนปัจจุบันปัจจุปปนะอาอติยานาคตะปัจจุบันงังอัจฉรตังวาปัญญาวาอุราติังวาสุขุมางวานิยังวาปัญิตังวายันทุเลสันติเกวะ สปังรรปังเนตังวามาเนโสห้มัสะเนเมโสอัฏาติเอเมตังยา่าผูตังสัมปันยายครัตังท่านทั้งหลายจงรู้ตามเป็นจริงเนอะปัจจุบันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอดีตอนาคตก็เหมือนกันอนาคตตังปัจจุปปนาอัฏฐตาวะพยตาวะโอราเดกาวะสุภมาวะเนี่ยนะหยาบก็ดีประณีตก็ดีใกล้ก็ดีใกล้ไกลก็ดีละเอียดก็ดีหยาบก็ดีประณีตก็ดีในที่ใกล้ก็ดีในที่ไกลก็ดี เธอทั้งหลายอย่าไปยืนยันว่าเราว่าเขาว่าสารบุคคลเอะในตังวามาเนียโสหมัตตมีเนียโสอัตตาตินั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวของเราดังนี้เสมอๆยะถาภูตังสำ ม, มัปปัญญาสัพพังท่านทั้งหลายจงรู้ตามเป็นจริงเถิด อ, อันนี้เป็นไม่ใช่สมาธิหัวต่ออันนี้เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิหรือปัญญาอบรมศีลและสมาธิอยู่ในวงแขนของตนนั่นพูดไทยมากมันก็มาก พราะมันมาออกไปจากไกลพูดให้น้อยมันก็น้อยเพราะมันน้อยลงมาหาใจนั่นสมมติให้มากมันก็มาออกไปจากใจถ้าสมมติให้น้อยมันก็น้อยลงมาหายใจปรมัดก็มัถ้าย่นปรามัดก็ย่นลงมาหาเอกะปรามัตดในใจถ้าย่นสมมติก็เอกะสมมติลงในใจถ้านาณาสมมติก็นานาใจนานาจิตนานาใจนานาขยายออกแล้วจะนับหนึ่ง ถึงร้อยถึงแสนถึงล้านก็นับออกไปจากรับหน่วยคือหน่วยจิตหน่วยใจของเรานี่เองย่น runs, ลงมาก็ย่นลงมาหาใจนั่นนั่นนั่นนถ้าไม่ลงหนึ่งก็ไม่ลงสองลงสามหลงสี่หลงห้าเหมือนกันถ้าหลงหนึ่งก็หลงสองสามสี่ห้าไปจนถึงร้อยโกรธเหมือนกันถ้ารู้ตามามจริงของหนึ่งก็รู้ตามามจริงห like, มดนั่นสังขารก็มีหนึ่งย่นสังขารลงมาเป็นหนึ่งอยู่ที่จิตตะสังขารย่นลงมาทําเป็นหนึง่งก็ย่นลงมาในรูปธรรมนามมาทํา ย่นลงม า, า, มาทํามธรนาบังไปว่าชื่อมันชื่อของใจนะยนลอกลงมาอยู่กับใจซะย่นสังขารนะกองทุกลงมากับใจซะเพราะสิ่งอื่นๆมันไม่ได้ยืนยันว่ามันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขหรืออะไรดอกก็ใจเท่านั้นเป็นผู้ยืนยันว่าทุกข์ว่าสุขว่าอะไรต่ออะไรสิ่งอื่นไม่ได้มายืนยันใจยืนยันทั้งนั้นต้นหากยืนยันตรงหันตนหักหลงหลงโวหารของตนหลงเงาของตนหยอกเงาของตนนั่นนั่น นั่นนั่นนี่ไม่ใช่สมาธิรัลลวนเ้นอะพระโรมศาสด า, ศาสอนให้มีปัญญาปัญญายะบริสุทธิ์จิบุคคลจะบ่อที่สุดก็เพราะปัญญาปัญญาโลกทะบิปัตโธโตแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนับนับปัญญาเท่านั้นจะชนะความหลงของตัวใครเป็นผู้ชนะความหลงก็คือปัญญาเท่านั้นใครถูกแค่ความหลงก็คือความโง่เท่านั้น ตวิชาเมื่อความไม่หลงมาถึงแล้วก็กลายเป็นวิชชาจนะสัมปันโนสุขโตโรกเวทูโรกแจ้งโลกย่นโลกลงมาเป็นใจซะอนุตโตเยี่ยมพุริสะธรรมสาลติฝึกฝนใจและฝุกฝนปัญญาดีศรัทธาเทวมนุษางนังเป็นผู้สอนของเทวดานุบุตตงหลายคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นผู้สอนของเทวดานุบุตตัางหลายเทวดานุบุตต่างหลายพุทโธเป็น ผู้เบิกบานแล้วเพราะแก้ความหลงของตนแล้วก็ต้องเบิกบานสิพระบรมศาสนาพระขวาวไปผู้จําแนกทำจําแนกทานศีลภาวนาอยู่ที่ดวงใจใจมันมีหลายชั้นใจชั้นพระสวดารันใจชั้นพระสกทาคามีใจชั้นพระอนาคามีใจชั้นพระลานเรียนจบใจแล้วนะพระลาน นโมพระหลานก็เรียนจบใจนวนอบนอบใจจนไม่มีกิเลสพระหลานพระโสดบันนอบนอมใจจนไม่หลงทางไม่หลงทางไปสู่พระนิพพานพระสัทธาคามีก็นอบนอบใจลงไปละเอียดกว่านั้นพระอนาคามีนอบนอบใจจนใจไม่มีราคะไม่มีโทสะนั่นพระหลานนอบใจจนไม่มีราคะโทสะโมหะอีกด้วยโมหะไม่ไม่ในรองยู่ในจิตในใจเลยชนะใจข้ามใจไปแล้ว ใครเป็นผู้สร้างปัญหาก็คือใจเป็นผู้สร้างปัญหาใครจะแก้ปัญหาก็คือใจที่สัมพยุด้วยสติปัญญาแก้ปัญห า, เ พ, าเพราะปัญหาเกิดขึ้นที่ดวงใจเพราะใจเป็นผู้สร้างขึ้นใจอันมีโมหะอันมีความหลงก็สร้างปัญหาขึ้นใจรู้เท่าความหลงของตนปัญหาก็ไม่ได้สร้างขึ้นนั่นนั่น น, น, นันัชาวโลกจะไปถือเอาแพเอาชนะกันภายนอก มันก็ไม่เจอมันก็ไม่เจอมันก็ไม่พบเวนสนองเวนไพยสนองไัยฆ่ากันตายหมดกรุงเทพมันจะได้อะไรฆ่ากันตายหมดประเทศไทยจะได้อะไรก็มีแต่เวนสนองเวนไัยสนองไพรฆ่ากันตายหมดโลกจะได้อะไรก็มีแต่เวนสนองเวนไัยสนองไัยในใจรสชาติของพวกเราลักจกจกห่อก็เหมือนกันอันไหนก็เหมือนกันนั่นนั่น่แบบ น, น, แบบ น, นจริงๆนี้เป็นหน้าที่ของชาวพุทธเราจะรู้ทางนั้น รู้ตามมันจริงด้วยปฏิบัติตามมันจริงด้วยลดพ้นตามมันจริงด้วยรู้ตามมันจริงด้วยปฏิบัติตามมันจริงด้วยลดพ้นตามมันจริงด้วยไม่ขบรถคืนอีกนะถ้ารู้ตามมันจริงแล้วก็ไม่ขบรถคืนอีกถ้าไม่จริงมันก็ต้องขบรถคืนใครเป็นพวกขบรถก็เราขบรถเราเองก็คือกิเลสมาขบรถกิเลสนั่นเองกิเลสจะไปขบรถพระนิพพานขบรถไม่ได้นะ กิเลจะไปขบถราละหันก็ขบถไม่ได้มันก็ขบถพุทธชนคนหนาท่นเอ ง, เองนับแต่พระสวดาบาลไปกิเลศไม่ได้ขบถเน้อละอันไหนนไหก็ขาดพึดๆไปเลยเหมือนทหารปรรบศึกทหารป ร, รบศึกยึดบ้านนั่นได้แล้วบ้านนั่นไม่ไม่ขบถคืนแปลว่ายึดยึดถูกแล้วส่วนที่มันขบถคืนเรียกว่ามันไม่ใช่ววมุตมันไม่ใช่เวมุตเป็นเอกเทศ มิมุติเป็นเอกเทศคล่ายๆกับยึดบ้านไหนได้ยึดยึดเมืองไหนได้เมืองนั่นไม่ขบวนเกินงั้นทหารไปรบค่าศึกนัดก็ประเทศเป็นบ้านทหารเป็นรั่วถูกอยู่อันนั้นแต่ว่าประเทศเป็นบ้านทหารเป็นรั่วอยู่ในน่านจิตใจของเรายังนี้อีกอเสอะอะไร อยู่ประเทศอันสมควรประรูประเทศสวาสะอยู่ในประเทศอันสมควรประเทศอันสมควรคืออะไรคือใจที่ไม่เป็นว่าใบเสียเจิตเพิรมนุษย์เรียกว่าประเทศสมควรและใจที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงค์เป็นประเทศที่สมควรใจไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงค์เรียกว่าใจไม่เป็นประเทศอันสมควรนี่พูดในปรมตถ์ถ้าพูดในพระสูตรก็ ประเทศที่สมควรก็คือประเทศไทยของเรานี่เองมันมีพระพุทธศาสนาธรรมาา ศ, าศาสรศาสนาสังฆศาสตาสนอันนั้นจริงอยู่ทีนเราพูดไทยย่อเข้ามาเพื่อปฏิบัติง่ายประเทศที่สมควรคืออะไรคือประเทศใจของเราเรื่มในพระพุทธเรื่มสในพนในในระพุทธพระทับผสมเรื่มในทางในศีลในภาวนาเรื่มสในทางปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ในวัฏสงสารเรียกว่าประเทศที่สมควรถ้ามาอย่างนั้นเนี่ยเป็นประเทศที่เหลวมากเหลวมากเหลวจนชันไม่ได้มันเหลวเกินไปมันก็ชันไม่ได้นัก ถ้าพูดหาน้อยมันก็น้อยลงถ้าพูดใหายว่างก็มากเลยจงทําจิตให้ยว่างนะครับจิตให้ว่างจิตว่างทําก็ว่างเหมือนกันถ้าจิตไม่ว่างทําก็ไม่ว่างจิตตอนไหนว่างทําตอนนั้นก็ว่างเหมือนกันทําว่างจิตว่างเพราะเหตุเพราะไม่มีผู้ใดไปยึดถือเอาจิตและทําในตอนนั้นนั้นพูดไปก็ล่วงไปล่วงไปเหมือนลมพัดเดี๋ยวนี้พูดไปเท่าไรก็ล่วงไปล่วงไปเหมือนลมพัดมันไม่กลับคืนมาเอก มันไม่เหมือนพัดลมเนี่ยมันกลับคืนมาเวียนอีกที่เราเห็นอดีตร่วงไปแล้วเวียนมาเป็นอนาคตแล้วเวียนมาเป็นปัจจุบันอันนั้นยังเห็นตื้นอยู่ส่วนอดีตล่วงไปแล้วก็ไมามาวานมาเป็นอนาคตนั่น เพราะเราหักแทนรู้วตามเป็นจริงไม่ใช่เราจะไปแต่งทำเพราะทำมันมีอยู่แล้วมันจริงอยู่แล้วเราแต่งไม่ให้เราไปหลงสิ่งทั้งหลายเราไม่ใช่เราจะไปแต่งสังขารไม่ใช่เราจะไปแต่งทำเราแตง่งเราไม่ให้ไปหลงสิ่งเหล่านั้นเท่านั้นสมมุติเราเป็นเราเราเพื่อให้รู้จักความหมายถ้าอย่างนั้นก็ไม่รู้จักความหมายแต่งผู้ไปหลง แต่งผู้ไปหลงทำแต่งผู้ไปหลงสังขารอย่าไปหลงพระธรรมมีอยู่แล้วสังขารมีอยู่แล้วเกิดก่อนแล้วทำฝ่ายสังขารก็มีอยู่ประจำโลกทำฝ่ายไม่ใช่สังขารก็มีประจำพระนิพพานอยู่ไม่ใช่เาพระบรมศาสดามาแต่งทำพระบรมศาสดามารู้การทรู้ตามจริงของธรรมปฏิบัติตามจริงของธรรมก็ลดพ้นจากความหลงของเจ้าตัวเท่านั้นนั่นไม่ใช่จะมาแต่งทำมาเรียงทำอันนี้เป็นอันนั้นอันนั้นเป็นอันนั้นเฉใจถ้าทําให้มีรู้อยู่ก่อนพระบรมศาสดาก็เรียงไม่ได้นั่น ทำทั้งหลายมีอยู่ก่อนจึงมาเรียงได้ถ like ้าทําให้ม mm ีอ hmm. ยู่ก่อนจะเรียงยังไงถ้าดินไม่มีอยู่ก่อนก็ใส่ชื่อเรือนามว่าดินไม่ได้ถ้าน้าไม่มีอยู่ก่อนก็ใส่ชื่อว่าเรือนามว่าได้ไม่ได้เหมือนกันถ้าเกิดแก่เก็บตายไม่มีอยู่ก่อนก็ใส่ชื่อเรือนามเกิดแก่เก็บตายไม่ได้ทางยับยั้งเลยนันั้นก็จริงตามสมมติมันก็จริงตามปรมาทจะเอาปรมาทและสมมติไปเป็นสงครามกันเราก็บ้าใหญ่ทีเพราะเราไม่รู้เท่าสมมติไม่รู้เท่าปรมัาทแล้วเอาปรมาทและสมมติไปเป็นสงครามกัน นักห น, น, น, นันัอ้ที่แท้เราเป็นสงครขามความหลงเราต่างหากถูกไหมที่ลาก่าวตูไปทางนอกเี้ฮะเอาละนะเออเอาล่ะต่อไปนี่ก็พากันภาวนาซะเถอะ ยะถาวาเจวะาปุราปริููเรนติซากลังเอวมีวาตทินังเปตาังปกปิอิจิตังปะจิตังุมังเจปามวเมจตุสะเพปูเรนทุสังกะป่าจันโทรโสยะถามณีโชธีดาโสยะถาสีธีโอยวัตจันตระปุโคสปะโยสปโรโคเวนัสตุมาเตปวัตวันตรายสุขีธีขายโคภาะอภิวาตนสีนิจานิังว พาไป迦โยจตารุธรรมวัฒนติ อายวนโนสุขังพะลังเส็จทิติมติเตโชชโยสิทธิมาเหตทิมงหากาปริมิตาปูญญาธิการัสสะสพันายนวานะสมัตทัสสะปะคะวโตอราโตสัมมาสัมพุทธะทวัติงสามาทเพรชสนารุปาวีนะสีตยานุพยัญนาราวนะอัตถุตระตะจักรังาุปาวนะปนังสียานุปาวีนะเกตุมาานุปาวีตาทัตามตาุปาวนะทัอุปปามตาุปาวนะทปรมัตถาเมตาุปาวนะ ตสมาธิปัญญาโนภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสรงการโนภาเวนะเตชาโนภาเวนะอิตานุภาเวนะพระลานุภาเวนะยยัตมานุภาเวนะตุลาสีตีตตธรรมคันานุภาเวนะนโนโรกุตระธรมานุภาเวนะอัตังคีกมกาานุภาเวนะอัตสมาปฏญานุภาเวนะฉลิมปิญญาโนภาเวนะจตุสัจญานาโนภาเวนะจตุสัจญานาคืออริยสัจสิทัศภรรยากานุภาเวนะคือทศภรราสิ สัพพนิยตยานาโนภาะเมตตาคุณาวันิตาเปขาโนภาเวนสัพพปริตาโนภาะคือสัพพปริตทั้งหลายใน12บสองนานจบบริบูรณ์รัตนตยะสรณาโนภาะเวด้วยคุณของพระรัตนตรัยตัวอย่างสัพโรกโสกุปตวะตุกโทมนาตุปายาสปีเวนะสันตุสวัสดรายาปีเวนะสันตุสัพสังกปาตุยังสเมจันตุทีคาอย่ตาตัอย่างโหตุสตาวัตชีเวนสังคีโกโหตุสัพปทา อากาคับพันะภูมิคังกามาสมุทาอารักกาเทวตาร า, าทุมให อ, อนุลักษณนตุมงคลจั ก, กรวาลใหญ่ไม่ใช่มงคลจั ก, กรวาล น, น้อยมงคลจั ก, กรวาล น, น้อยคือสภพพุตาอันนี้มงคลจั ก, กรว า, าลใหญ่ครอบไตโลกธาตุเลย ครบแปดมื่นจะพระธรมมาขันเลยพระวาตุสัพพมังคลังันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัาสถีพระวันตุเตพระวัตถุสัพพมังคลังัตุสัพเทวตาพระธรรมานุภาเวนะสัาสถีพระวันตุเตพระวัตุสัพพมังคลังันตุสัพเทวตาสัพพสร้างคานุภาเวนะสัตตาสถีพระวันตุเตอยู่ทุกว่นไม่มีประมาณนั่นเถิดจงเป็นสุขในพุทธทรรมสง จงพ้นทุกในวัฏสงสารทุกพ่นหน้าอยู่โดยทุกเมื่อไม่มีเชื่อเหลือเอทินอะทะถิไปประกายมากกายมากอยู่ที่ไหนพวกทั้งหลายห่างเหินจากศีลธรรมผลก็มาตกตามฤดูกาลแต่พวกเราบอกว่า ทำลายต้นไม้ลำทารแต่พอเราไปศาสตราจารย์มาได้พูดอย่างนั้นคนหาเหินจากเสียงธรรมนั่นพูดมันก็จริงวันหนึ่งวันหนึ่งฆ่ากันสารพัดทุกคนทุกแห่งฆ่าจนถึงวินาทกวันเดียเทุกวั น, น โลกคนอนมม<ร>ละานนนมาอะไรโ ก, กรธ <y> ก่อนหรอือหรือมีราคะไม่สมประสงค์ราคะเลยจนโกรธหรือมันเป็นยังไงถ้าหากว่าเดี๋ยว ถ้าว่าจิตใจของเราหนักไปทางราภเห็นอะไรมันชอบรักสวยรักงามเป็นเจ้าหัวใจก็ต้องเจริญอุภะอุภหะอุปถ้าว่านิดเดียวใครต้องก็ไม่ได้มักจะโกรธก็ต้องเจริญเมตตาคนพูดอะไรชอบเชื่อง่ายไม่ว่าทางใดทางหนึ่งก็เจริญภูมิถ้าได้ยินอะไรจำได้ เร็วที่สุดเข้าใจชันทุ่มถี่อ น, นั่นจะเรียนกรรมฐานอันนี้ก็ถูกแต่็นาำรับลูกหูมันถูกกำลมหายใจท่ออกเป็นนิจจ ก, กจัจจิคนเป็นนิจจกเจเจชอบลืมชอบหลงเขต้องเจริญลมหายใจท่อพระชายาบุตรก็เจริญลมหายใจท่อเท้ า, า, า, า, ากับลมอาศนาเขาเจริญลมหายใจท่อเรื่งมลมหายใจเข้าออกเป็นกรรมฐานในทางพุทธศาสนา อากาปานสติลมหายใจเข้าออกนี่ท่านผูน้ใดเจริญดีแล้วกายและจิตก็ไม่หวั่นไหวต้องการเห็นเวลาไหนก็ต้องเห็นต้องการเห็ น, นก็เห็นเดี๋ยว น, น, ออนี่ลมเข้านี่ลมออกนี่ลมเข้านี่ลมออกเข้าสั้นเข้ายาวรู้จักออกอสั้นออกยาวอีก้งเพราะสติอยู่กับจับดึพุทธโธมาพิจารณาก็าไม่แสลง ดึงอนิจจังมาพิจารณาก็ไม่แสดงดึงทุกขังมาพิจารณาพ่อเขาลมเข้าออกก็ไม่แสดงดึงอนัตตามาพิจารณาพ่อเขาลมหายใจเข้าออกเป็นสัว่ารู้เป็นสักการเห็นก็ไม่แสดงดึงธาตุดินมาพิจารณาเป็นแั่สัว่าดินน้ำไฟลมพ่อกขาลมหายใจเข้าออกก็ไม่แสดงดึงเวทนามาพิจารณาพ่อกขาลมหายใจเข้าออกก็ไม่แสดงเราจับตั้งจิตหายใจเข้าเราตัจับตั้งจิตหายใจออก เราจับทำจิตให้บันเทอหายใจเขา้าเราจับทำจิตให้บันเทอหายใจออกเราจับรู้แจกจิตหายใจเขา้าเราจับรู้แจกจิตหายใจออกเราจับตั้งสติหายใจเขา้าเราจับตั้งสติหายใจออกมันมีอย่างพิสดารเหมือนกันเราจับพิจารณาเนืองๆว่าไป็นของแม่ที่อย่างหายใจเขา้า เราจะพิจารณาเรื่องในความที่อยากหายใจออกเราพิจารณาสิ่งที่ไม่ใช่สายไม่ใช่บุคคลหายใจเข้าเราจะพิจารณาสิ่งที่ไม่ใช่สายไม่ใช่บุคคลหายใจออกตั้งหลักไว้สรบาจาถ้าหลักอันนั้นหายไปแล้วตัวจะ่าทับแตกเรียกว่าว่าขาดเปลี่ยวไปตามหลุมเรียกว่ า, ว า, า, ว า, ร ก, วากรรมฐานแตกต้องอาศัยค่าย ค่ายครูประตูหอรบตั้งค่ายไว้ทีนั้นตั้งล้มเพาะไว้ในทีนั้นจับพิจนาพุทโธก็มีทุกลมให้ใจคอจะไม่พิจนาธรรมโม่ก็มีทุกลมให้ใจคอจะบพิจณาอะไรก็มีทุกลมให้ใจเขคอจับลมให้ดีตั้งสติคำ ม, มิจันญ์ไว้ทีนั้นมันก็สิ้นความสงสัยท่าน <The> พิจาณาทุกในลมให้ใจเคาออกในปัจจุบันทุกในอดีตอนาคตทำไมต้องสงสัยนักหนักห น, น, น, น เห็นลมหายใจเข้าออกในปัจจุบันครัดลมหายใจเข้าออกในอดีตอนาคตไม่สงสัยอีกเหมือนกันเห็นความเปลื่อยเน่าในส่วนร่างกายท้องก็ลมหายใจเข้าออกก็ถูกดึงกระป๋านอะไรมาใส่ได้ทั้งนั้นเหมือนยาชนิดเดียวขนาดเดียวรักษาโรคได้หลายๆ โรคคือลมหายใจเขาออกนี่เองหลวปู่มั่นทรงสนเสริญบุคคลพวกมันไม่เห็นลมหายใจเข้าออกจำเป็นแล้วก็ต้องบอกให้มันแคาบกระดูกหลวปู่มั่นเลยครับที่มันเห็นลมหายใจเข้าออกแล้วมันก็เป็นกายเห็นกายเลยเหมัอนกันก็พิจารณาตายเลยเหมือนกันเพราะถ้าไม่มีลมหายใจเข้าออกกายก็แตกพิจารณาลมหายใจเข้าออกก็คือพิจารณาตายมันก็ถูกเหมือนกัน เวทนาก็มีอยู่ทุกดวงวิจัยท่อเวลาเราหายใจเขาออ้าหายใจออกสวยเวทนาสุกทุกอุเบกขาอย่างไงเราก็ตรวจอ ย, ยู่แล้วเสียนั้นเวลาเราหายใจเข้าออกจิตใจเราฟ้องแพรวหรือเข้าหมองวิธีไหนเราก็ตรวจในลมหายใจเข้าออกมันก็เห็นชัดเนี่ยทําเป็นของไม่เที่ยงพอเราบัญญัตว่าลมหายใจออกหายใจเขาออ้ามันก็กลายเป็นอดีตไปแล้วนะหาระหว่างไม่ได้เกิดดับหาระว่าดไม่ได้ลม ลมหายใจเข้าออกผ้าระหว่าไม่ได้เกิดดับผ้าระหว่างไม่ไความนักเชี่ยวก็เกิดดับผ้ารหว่าไม่ได้นี่เรียกว่าจะหมุนมาพิจารณาอันนี้จังหมุนอยู่ในที่นี่แนหะตั้งป้าไว้ในที่นี่แนหะถ้าเห็นอันหนึ่งชัดก็เหน็นอันอื่นชัดหมดเหมือนกันต้องให้เห็นคุณในส่วนนี้ไม่ต้องคว่าไปหาทางอื่นทุทธโธอย่างนี้ก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกธรมโอ้ก็มีทุกลมหายใจเข้าออก สังขาก็มีพักวุ่นอยู่ทุกลมหายใจออแล้วก็พิจารณาเห็นหรือไม่เห็นก็ตามนั่นนั่นความตายก็มีทุกลมหายใจขอกความเกิดก็มีทุกลมหายใจเข้าออกความแก่ความเจ็บความตายก็มีทุกลมหายใจเข้าอดินนั่งไสลงก็มีอทุกลมหายใจเข้าออกโรคกวดหลงก็มีทุกลมหายใจเข้าอไม่โรคไม่ปวดไม่หลงก็มีอทุกลมหายใจเข้าออกนั่นนั่นพยายามละอยู่ก็มีทุกลมหายใจเข้าออพนไปแล้วก็มีอทุกลมหายใจเข้าอนั่นมันได้ห่ดทั้งนั้น จับลมให้ดีประวุมลมก็ไม่สะดุ้งลมที่ชอบสะดุ้งผวาเพราะสะติไม่อยู่กับกรรมฐ า, อานอะไรตกหลงัง <c oughs> <c oughs> ขนฟองสออกเสียก้าง่ายบุคคลผู้ชอบตื่นชอบสะดุ้งเหมือนเนื้อสมังในป่าทศของเขาไม่เจริญธรมมบรมชาติลาภะ เราสังเกตเราดูได้เหมือนกันคราวไหนเราอยู่ห่างลม้าใจเข้าออกคราวนั้นครอบสะดุง่งแม่ประคดเอวตกลงก็ชักจะตื่นเข้าใจว่างูมาทันขา <c oughs> ถ้าว่ยายน้นก็ไม่ตื่นเนอะไช่ไม่ใช่ว่าบรีตัมกขได้เพราะให้มีสติอยู่ในที่ลม ลมากระทบลมหายใจเข้ากระทบที่ไหนลมหายใจออกระทบที่ไหนลมปูฮักที่แรกลมหายใจออกหนึ่งหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งหนึ่งลมหายใจออกอีกสองลมหายใจเข้าอีกสองอีกขัอสามลมหายใจออกลมหายใจเข้าอีกข้อสามสี่ลมหจออกอกข้อสามสี่ห้าลมหายออกมีกข้อสามสี่ห้าบ นับหนึ่งหนึ่งลมาใจเขนับหนึ่งหนึ่งล้ใจออกนับสองสองนับแล้หายใจออกนับสองสองหายใจออกจะเข้าล้วหายจจออกออจะเข้าอันับสองสามดสิเพื่อหให้สติมีอยู่นั่นเองถ้าหากว่ามีสติแล้วทำไมต้องนับทำไมถึงนับเพื่อให้มีสติอยู่้าสอนอย่างนี้นสอนอย่นี้ อ๋อนี่คือัวสังสังฆะธรรมะสังฆะธรรมะถ้ามีสติอยู่ที่ไหนก็มีสติก็มีปัญญาอยู่ที่นั่นนะทำอะไรไม่มีปัญญาไม่มีสติปัญญาันวะแค่สติมีอยู่ที่ไหนปัญญาเนีสังฆะสังฆะธระก็คือตัวปัญญาเองแลวปัญญาก็คือตัวสังฆะธะองเลืกก็คือความรู้ตัวนั่นเองทาเป็นโรก อ, อทำมนอุปการะมากสอนอยสองอย่างสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวนะเมื่อมีสติแล้วระเวณีสัมปชัญญะก็เป็นทำมีอุปการะมากสติจะมีมากสักเพียงไงนหง น, นเท่ารามาศิาประมาณห้าในท่านจึงว่าพระทหารเป็นผู้มีสติเต็มที่เพื่อจะมาครตรวจท่านโดยอาบัติะสติวินัย สตินั่นเองเป็นตัวศีลเป็นตัวสมาธิเป็นตัวปัญญาอีกเหมือนกันเมื่อมีสติอยู่ที่ไหนสหัมภชัญญะความรู้ตัวมันก็มีอยู่ที่นั่นสติจาการที่ทําและทำที่พูดแล้วไม่นานได้ปัญญารอบรู้ในกองสถานตามเป็นจริงอย่างไรนี่ทาเป็นเจ้าพื้ ข, ของตนทํามีอุปการะมาพร้อมอย่างสติความลู้ได้สัมภิชัญญาความรู้ตัวเรียกว่าทํามีอุปการะมาก ทำอันทําให้งามสองอย่างคันตีความประจนสองโสจิกะความสงเเ่งบุคคลหาละยากสองบุพการีบุคคลผู้ทรงบุพการะก่อนกัตันดูกัตเวทีบุคคลผู้รู้อุปการะที่ท่านทําแล้วได้ตอบแทนนี่ในทั้งหมดสองสติความาละเอียดได้สัมปชัญญะความรู้ตัว <S <S 1> <S 1> เยอะเยอะบางท่านก็เอาไว้ที่ปลายจมูกเราไม่ผ่า น, านปลายจมูกจะไปผ่านที่ไหนว่ามันมันแหวกออกเราก็ไม่ตามหา มันเข้ามานี่ยเราก็ไม่ตามจ้องอยู่ที่ปลายจมูกก็ได้หรือเอาไว้ที่หลอดลมก็ได้หรือเอาไว้ที่เพรานปากก็ได้เวลาหายใจเข้าเพดานปากก็ดูเย็นเย็นเฉยเฉยเวลาหายใจออกก็เอมไว้ที่นี่แต่มันไกลอยู่ถ้าเราหายใจเข้างานนี่ก็ไกลนัก มันแหวกรอมออกไปไม่ต้องตามใช่พวกยกหนอพองหน่อเนี่ยท่านตั้งว้ที่นี่ท่านตั้งมายหกหน่อพองหน่หอเนี่้ามายกกับไม้ความมาหายใจออกเ้ามาพองกับไม้ความมาหายใจเข้าเนี่ยท่านตั้งมาทีนี่เลยพวกงนพวกยกหน่อพองหนอนัมันก็คัตเตอรกันในพอดีก็ถูกวัดกันไม่ได้คัดช่านถูกวักัน แล้วหลวงปู่บางสิบเอาไว้ที่นี่แล้วไม่ผ่านหลอดลงจะไปผ่านที่ไหนแล้วไม่ผ่านดั้งจมูกจะไปผ่านที่ไหนเอาไว้ที่นี่เสาเชิงชาเขาไวไปไกวมาเสาเชิงชาเดียอะๆเสาเชิงชาเขาไกวไปไกวมาแ ล, ไไลา้วก็มาอยู่ที่นี่เขาไวไปไกวมาเสาเชิงชา มันแกลไปยาวที่สัตว์เราก็ไม่เราเราก็ไม่ตามมันเราตามแต่ว่ามันมานี่เท่านั้นเนี่ยตามเท่านี้เนี่เวลาออกว่าเข้าตามเท่านี้เนี่ยเหมือนโคท่านบอกว่าโคนี่ประตูโคออกวโคโเขาเท่าไรโคออกไม่เท่าไร่หัวแล้วนนั้นเขาอะไรกันนะเขาอะไรกันนะ อย่ามันไม่ได้ตามโคมาไม่ได้ตามโคมาทันเลยก็อีมันมาพามฉันเลยก็ไม่ตามมันไม่ตามลงมาที่นี่ไม่ตามมันแหวกอากาศออกไปข้างนอกก็ไม่ตามที่พวกเจริญลมให้กายเข้าออกถ้าทำอย่างนี้ที่มันเห็นในมิตว่ากๆหลวงปู่ได้เคยได้ลมแหวกมาถึงไหนลมแหวกมาถึงไหนแหวกมาถึงนี่ก็จําไว้ที่นี่แหวกมาถึงนี่จําไว้ที่ีเดี๋ยวคนนีมิตก็เกิดขึ้นอะไที่นี่สารพัดอ่ะเพราะมันส่งนอกอะ เป็นแสงเดือนว่าเป็นแสงดาวว่าเป็นอย่างนี้อเ่เดียวมันก็หายไปเดีวันก็หายไปเหมือนกันอั น, นั้นลมของเรามีอยู่ไม่ได้ยืมใครแล้วจะไปงอทําไมนอนนอนหลับคาลมวันไหนไม่นอนหลับคาลมเ ข, ข้าเราออกถือว่านอนเหมือนโคเหมือนกระบือว่าให้เจ้าของถ้าวันไหน นอนหลับคาลมออกลมเข้าวันนั้นเมื่อรู้สึกตัวขึ้นมามันก็มาเห็นลมเข้าลมออกก่อนมันจึงฟุ้งไปทางอื่นถ้าเราปล่อยให้มันฟุ้งถ้าเราไม่ปล่อยให้มันฟุ้งเราก็จับมันก็ต่อไปอีกถ้าวันไหนเราภาวนานอนหลับคาลงเข้าลมออกเวลาตื่นมามันมาเห็นก่อนเนอกตื่นมาก็มาเห็นลมเข้าลมออกก่อนแล้วก็จับต่ออีกถ้าเราไม่จับต่ออีกมันก็ฟุ้งไปทางอื่นก็ปล่อยให้มันฟุ้ง ถ้าวันไหนตื่นขึ้นมาเออกูภาวนาอะไรหนอวันนี้มันโง่เหลือเกินวั น, นั้นกูภาวนาอะไรกูจิงหลับแล้วมันโง่เหลือเกินนอนเหมือนเหมือนเหมือนโคเหมือนกระเบือแบบนั้นเช่นวันนี้กรรมพุทโธอย่างนี้จนลิ้นไม่กระดุกนะเนาะคองคลมให้ใจเขาออกเดินจากอดรมาจนถึงอำเภอ กุมภาวะปีภาวนาพุทโธท่านพุทขาขวาก่โธขาใต้พุทโธนี่คุณของพุทโธไม่มีประมาณไม่เกิดไม่ดับมันก็เกิดดับแต่ผู้บริกรรมอย่างมันมีวิปัสสนาปัญญาด้วยเห็นทุกเก้าขาเลยเท้าซ้ายและขวาเห็นมัดเก้าซ้ายเก้าขวาเก้าขาซ้ายขาขวาด้วยจักมดเวลาเราเดินเราเดินไปเที่ยวสะพายบาทอีกสั่ม วันยังค่ำเลยไม่ไม่ไม่เหิวน้าเลยท่อโผลมาแต่สองพันสี่ร้อยแปดสปดดื่มน้าแล้วก็เดินกันวันยังคำ่ำนะก็จะเห็นกันได้ในชีวประวัติจงอ่านดูเถิดชีวประวัติเขียนลงแล้วไปเจอไปเจออะไรเขียนไปหมดแล้วนอนตะแงข้างขวาข้างซีกอะไรก่นเขียนไปหมดแล้ว แสงสว่างบางทีก็เป็นมเมฆมาหายเลยชาไปเลยนี่ก็เป็นเมฆเป็นหมอกมาบางทีก็เป็นตะเกียงเจ้าพายุเหมือนเหมือนพระอาทิตย์ก็มีเพราะเราเพียงนอกถ้าเราไม่เพียงนอกมันก็ไม่เห็นอถ้าเราเพียงข้างในมันก็มาเกิดข้างในอกีกเหมืนกันเลย สารพัมันจะเกิดเหมือนกันก็ช่างว่ามันแต่ว่าเราอย่าลืมอาการเดิมอาจารย์เดิมคือลมห้ใจเข้าออกถ้าเรายืมลืมอาจารย์เดิมหน่อป็นก่อนเหมือนปอกค่ายกับว่าวู่าลนบอกว่าหมาตาเหลืองสันพงษอย่างนั้นเห็นไฟที่ไหนมันก็เวิ่งใส่สันพงษอย่างนั้นลพบว่าเราเคยเป็นเหมือนกัน แต่ว่าเราเพิจิตรไสของเราไม่เป็นเราไปเห็นนิวิตอะไรก็ตามเราไม่ยืมอาจารย์เดิมอาจารย์เดิมของเราเองนิมิตเกิดที่นั้นมันก็จะแปรปวนในที่นั้นมันก็จะหลับในที่นั่นเองเราก็ไม่เป็น น, นิสัยเรามีอนิจจังสุขังอนัตตาตาัปายุทธ์ตัวเป็นเครื่องตัดสินเป็นตรวจตำรวจทหารตัดสินอยู่เราไม่ชิงอณิจจังทุกขังอนัตตา เห็นอะไรก็ตามเออมันเกิดขึ้นที่นั่นมันจะแปรปวนในที่นั่นมันจะดับในที่นั่นเองเราก็พูดอย่างนี้เราไม่ได้มันดับให้มันเกิดขึ้นเราไม่ได้มันดับให้มันแปรปวนเราไม่ได้มันดับให้มันดับไปมันเกิดขึ้นเองมันแปลปวนเองมันดับเองเราก็รู้ตามเป็นจริงทำหน้าที่ของเรานั่เรียกว่ามีปัญญาทรัพย์ยศจะพ้นทุกข์ง่ายแบบนั้นไอ้พวกบอกว่า ถ้าภาวนาดีก็ต้องไปเห็นสวรรค์สิต้องไปเห็นนรกสิเออเขาพิจารณาคณะกิตยาเขาเห็นแล้วนรกสวรรค์เขาเห็นสิ่งเช่ไแม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันก็เห็นในใจโลกธาตุครบแล้วเนี่ยเห็นที่สิ่งเช่นม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นอนิจจังคณะกิตหนึ่งก็เห็นโลกรอบแล้วเห็นใจโลกธาตุแล้วเห็นทุกข์คณะกิตหนึ่งก็เห็นโลกธาตุรอบแล้ว จะว่าเขาไม่เห็นนรกสวรรค์ก็ไม่ถูกเขาเห็นผ่านไปแล้วเพราะเขาไม่ปรารถนาจะชมนรกสวรรค์เล่นมาหลอกกิงขนมไข่สวรรค์มันก็เป็นของไม่เที่ยงตกอยู่ในอนิจจังเทวโลกคอมโลกก็ตกอยู่ในอนิจจังจะไปยินดีทำไมผู้ยินดีในสวรรค์ผู้ยินดีในเทวโลกก็คือผู้ยินดีในเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองนักนันั น, น, นหมดปุญญาพิสังขาแล้วก็ มาเกิดแก่เจ็บตายอีกนะนะ ก, ก็ยินดีในพระิพานสิ่งเดียวยินดีในพระยพานคือยินดียังไงก็พระิพานไม่ใช่ตนใช่ตัวใช่เราใช่เขาไม่ใช่พวกคนแะยินดีในพระิพานก็คือยินดีในความไม่หลงไม่หลงเพลินในวัฏฏะงสารนั่นเอง คือมัคือยินดีในอันที่ไม่ใช่รูปไม่ใช่อรูปนั่นเองคือไม่ยินดีในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นั่นเองคือไม่ยินดีในสิ่งที่หมายนี่นิมิตแปลว่าเครื่องหมายพระ涅槃ไม่ใช่นิมิตเน้อนิมิตแปลว่าเครื่องหมายถ้าหมายไปที่ไหนก็เป็นนิมิตไปที่นั่นแหละที่เราจับอะไรนี่ก็คือเราจับนิมิตกับมฐานเดิมเรียกว่านิมิตเนี่ยรจะเข้าออกนิมิตเดิมนิมิตอื่นมาเคยมาพ่าดเราไปหมายอีกว่าก็เป็นสองสามนิมิตนี่ จะนิมิตใดๆก็ตามมันก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นในพระโพธิสัต่์อะไรแม่นิมิตเดิมอาจารย์เดิมที่เราหมายไว้นี่มันก็ยังเกิดยังดับอยู่อันนิมิตอื่นมื่มาเกิดมันก็ยิ่งเกิดยิ่งดับเหมือนกันนะนิมิตเดิมมันก็ยังเกิดยังดับอยู่แล้วเราจะเอานิมิตเดิมนี่เองเป็นพยานเอกนะนิมิตแปลว่าเครื่องหมายอหมายไว้ในรูปก็รูปนิมิตหมายไว้ในนามก็นามนิมิตหมายไว้ในพูรูก็เรียกว่านามานิมิต หมายไว้ในลมหายใจเข้าออกเขเรียกว่ารูปนิมิตเนี่ยหมายไว้ในดินในน้ำเขาเรียกว่ารูปนิมิตเหมือนกันสิ่งทั้ลายเราเนี่ยเ ก, กิดขึ้นแล้แปรปวนแต่แปรทลายเป็นตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในตัวเลยไม่ลงธรรมาดไปมีกลางวันกลางคืนสังขารที่เกิดขึ้นแปรดับก็ไม่มีกลางวันกลางคืนเป็นจริงอยู่ทำที่ไม่เกิดไม่ดับก็จริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเราก็รู้ตามเป็นจริงอยู่ ไม่มีกลาง ว, นาวนันกลางคืนจึงจะฉนะความหลงของตนได้ น, นันน่นนั่นนั่นใครเป็นผู้รู้พระนิพพานก็พระนิพพานนั่นเองรู้พระนิพพานสิ่งอื่นไม่เป็นหน้าที่จะมารู้พระนิพพานใครเป็นผู้รู้รถพระนิพพานก็คือพระนิพพานนั่นเองเป็นผู้รู้รดพระนิพพานสังขารก็เป็นผู้รู้รถของสังขารนีพระนิพพานไม่ได้มาทะเลาะกันกับสังขาร ถ้าพระนิพพานมาเท่ากับสังขารก็เท่ากับว่าเท่ากับเด็กไม่สมฉะเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้มาสัางขารเลยนั่นพระรับเพลินไปแล้วที่ไหนไม่มีเพลินที่ไหนไม่มีโรคมีโกรธม่หลวงที่นั้นแหละพระนิพพานที่ไหนมีโรคมีโกรธมีหลงที่นั่นแหละคือสังขารและกองทุกข์ทุกมีมาเพราะเหตุอะไรมีมาเพราะจัด อุปาทิอุปาทิเป็นชื่อของเกเรตนะเมื่ออเวชาเต็มภูมิแล้ววิชาก็ อ, อับแสงเมื่ อ, อวิชาเต็มภูมิแล้วอววชาก็ไม่มีประตูที่จะเกิดขึ้นวิชาจารณะสัมปันโนจารณะสัมปันโนถึงพพ้อมด้วิชาในจารณะ ก็คือศีลสมาธิปัญญากลมเกลืนกันในรัชกาลนั่นเองเอกวิชาวิชาแปดวิชาสามก็ตามก็ย่ำลงมาเป็นเอกวิชาเหมือนกันไม่สงสัยในโลกทั้งปวงเมื่อไม่สงสัยในโลกทั้งปวงปัญหามันก็หมดแล้วมันก็จะขบดมาจากประตูไห น, นมันไม่ขบดแค่แล้ว พราไม่สงสัยในโลกทาตุพวงโลคทาตุพวงอยู่ใต้อำนาจอเนจังนี่ก็ไม่สงสัยในโรคทาตุพวงเมื่อสงสัยว่าโลกทาตุพวงจะเป็นสุขถ้าโลคทาตุพวงเป็นสุขพระอรหันต์ก็เข้าสู่พระนิพพานไม่ได้ถ้าเห็นโรกธาตุพวงเป็นสุขเท่าเม็ดนาพระอรหันต์ก็เข้าสู่พระนิพพานไม่ได้ไม่มีเสียเลยสิ่งไหนที่เกิดดับเป็นสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ตัดสินเผยเลยนั่นทุกสิ่งทุกอย่างก็มีแต่เกิดดับเท่านั้นในใจโลกถาตุใจโลกธาก็ ยัดเยียดอยู่ในความเกิดดับความเกิดดับนั่นเองเป็นไตรโลกธาตุในชั้นปรมาติษฐ์นะคําว่าสังขารก็เกิดดับทั้งนั้นสังขารที่มีใจคลองแล้วมันมีใจคลองก็เกิดดับคําว่าเกิดดับเนี่ยหมายความว่าพิจารณาแต่เบื้องต้นกับเบื้องปลายคําว่าเกิดแปลพวนและดับหมายความว่าพิจารณาท่ามกลางด้วยอีกอย่างหนึ่งท่านพิจารณาเรื่องเกิดท่านพิจารณาแต่ดับก็คือพิจารณาแต่ทางปลายก็ถูกเหมือนกัน รูทายาพยานุปัฏฐานพิจารณาปริชาพิจารณาทั้งความเกิดและความดับพังคานุปัฏทานายางพิจารณาแต่ความดับความเกิดไม่พิจารณาแต่มันชัดแล้วเหมือนกันเมื่อมันด้วยมันมันชานาญมันพิจารณาแต่ความดับความเกิดมันก็เห็นอยู่ในตัวเช่นลมหายใจเข้าออกนี่เองด้วยความชำนาญมันรู้จักของมันเองอืมอืม เรื่อวกัน เ, นเด๋ยเยอ๋เยพวกพักอยู่นี่รู้จักที่ไปเกิดปีแกุลแกเกิดฟีมาเสงที่นี่หลานของแกแม่แม่แมแ ม, แม่พ่อแม่มาหาหรือพ่อกลยังไงก็นอ้กลัตั้งแปดปีออทำไมรลปขี้เหร่ ที้โอดแทะนึกว่าเป็นพ่อเป็นพ่ อ, อยังไงนอกกูตัก8ปปีไหลานหลานพักแกเราดีใจที่เราได้ผ่านพ้นฆรวาสมาเดี๋ยวนี้จิตของเราไม่ได้ อ, น, อนาคตการไม่มี กาบถึงสามหัอย่างนี้เราก็ไม่ได้พูดเลยกาบสามหัวอย่างนี้พุทโทธทัโมสังโฆนิพพานังในปัิวัตินิจตปัิวัตินธรรมไม่ได้ว่าอนาคตการนั้นเกิดไม่มีเลยรอพุทโทธตัโมโสังโฆนิพพานังเลยพิจารณากรรมฐาน ก็น้อมถึงพระนิพพานก็มาถานแต่ละอย่างละอย่างน้อมถึงพระนิพพานหมดทุตโธคําเดียวก็น้อมถึงพ ร, พรพนะนิพพานลมหายใจเข้าออกข้างเดียวก็น้อมถึงพระนิพพานถ้าไม่ไปก็ไม่ได้ลุกนะลุกเก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 ถ้าใจถูกมันก็ถูกหมดถ้าใจถูกตอนไหนทมก็ถูกตอนนั้นถ้าใจผิดตอนไหนทมก็ผิดตอนนั้นรักษากายก็รักษาอย่างหนึง่งรักษาใจเป็นของสาคัญมากถ้ารักษาใจแล้วมันก็รักษากายรักษาวาจายอยู่ในตัวใจไม่รักษา ก็มีแต่ใจพระละหันมุคคลผู้ยังไปพ้นทุกก็จําเป็นต้องรักษาใจผู้พ้นไปแล้วท่านไม่รักษาใจเพราะใจของท่านมาผิดจิตตังทันตงสุขาวหังจิตที่ฝึกฝนแล้วก็นําสุขมาให้จิตตัฏะตมมโถสาทุฝึกฝนจิตนั่นแหละเป็นดีฝึกฝนจิตด้วยทานวัตศีวัตภาวนาวัต อารมณ์ของจิตของผู้ถือว่าไม่มีของผู้ถือว่ามีบุญม่บาป <c oughs> เป็นอารมณ์ของบัณฑิตเป็นอารมณ์ของนักป่าอารมณ์ผู้ที่ถือว่าไม่มีบุญไม่บาปก็คือเป็นอารมณ์บาปเราดีๆนี่เองผู้ยินดีในพระพุทธธรรมประสงค์ ก็คือผู้ยินดีในอารมณ์ของฐานวัดศีวัดภาวนาวัฏนั่นเองผู้ไม่ยินดีในพุทธธรรมสงฆ์ก็ตรงกันข้ า, ม, ข า, ม, ามมัคคารมณาธรรมามัคคารุมถ้นึกไปทางศีลก็เป็นศีลาลุสติถ้านึกไปถึงทานก็เป็นจาคารุสติถ้าระลึกถึงไปถึงพระพุทธธรรมสงฆ์โดยตรง ก็เป็นพุทธธรรมาสังขารุสติอยู่ในตัวสิ่งไหนที่เป็นบุญสิ่งนั่นก็คือพุทธาธรรมาสังขารุสติอยู่ในตัวแล้วจะบัญญัติหรือไม่บัญญัติก็ไม่เป็นปัญหาพระพุทธศาสนาบัญญัติบุญถูกศาสนาอื่นๆบัญญัติบุญไม่ถูก สิ่งที่เป็นบุญบัญญัติว่าเป็นบาปก็มีสิ่งที่เป็นบาปบัญญัติว่าเป็นบุญก็มีเพราะบัญญัติผิดเพราไม่เหมือนพระสมานพระพุทธเจ้าพระสมานพระพุทธเจ้าเป็นพระฐานอย่างเต็มที่เป็นพระฐานเอกในโลกอย่างเต็มที่ใครจะมาบัญญัตแรริแข่งก็ไม่เท่าพระบ ร, รมศาสดาใครจะมาลดพ้นแข่งก็ไม่เท่าพระบรมศาสดา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 ส่วนผู้ที่จะรู้ตามเป็นจริงหรือไม่นั้นมันเป็นเรื่องหนึ่งอีกผู้ที่จะรู้ตามเป็นจริงจะปฏิบัติตามเป็นจริงจะสิ้นความสงสัยของตนตามเป็นจริงหรือไม่มันเป็นเรื่องหนึ่งอีกท่านทั้งหลายมันมีอยู่ทุกการแล้วเราจะทําให้มีอยู่ทุกการหรือไม่สิ่งที่ดีสิ่งที่ชั่วเราจะพยายามละอยู่ทุกการไหมอันนี้มันเป็นเรื่องหนึ่ง ถ้ารู้ตามเป็นจริงตอนไหนๆตอนนั้นมันก็พ้นไปพ้นจากความผิดไปรู้ตามเป็นจริงด้วยปฏิบัติตามเป็นจริงด้วยก็ลดพ้นจากความหลงตามเป็นจริงด้วยเป็นชั่นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบรู้ตามเป็นจริงแบ่งออกเป็นสี่จำพวกพระโสดาบันก็รู้ตามเป็นจริงชั่นพระโสดาบันสักกะทาคามีเขรู้ตามเป็นจริงของพระสักกทาคามีพระอนาคามีเขรู้ตามเป็นจริงของพระอนาคามีพระอนหันเขารู้ตามเป็นจริงของพระอนาหัน์ พระพเจ ก, ก็รู้ตามเป็นจริงของพระพเจกข้าสมาธิพระเจ้าก็รู้ตามเป็นจริงเป็นขั้นที่หนึ่งของโลกและนอกโลกออกด้วยผู้ประพฤติธรรมย่อมสามารถรู้ทำได้ตามสติกาลังแต่ละท่านแต่ละคนไม่เป็นหน้าที่จะมีตํารวจกองปราบปรามไว ณโมตัวเดียวแปลให้ครบแปดหมื่นสี่พุทมฆันก็ได้ทุตทางตัวเดียวแปลให้ครบแปดหมื่นสี่พุทมฆันก็ได้ก็แว่นไม่แตไม่ต้องกลารธาตุดินอันเดียวแปลให้ครบแปดหมื่นสี่พุทธมฆันก็ได้น้ำอันเดียวก็เหมือนกันไฟอันเดียวก็เหมือนกันลมอันเดียวก็เหมือนกัน ดินอยู่ที่ไหนดินก็อยู่ที่กับเราไปไหนก็เอาไปด้วยพบค้นได้ฟันดังเลือดกระดูกย้อยในกระดูกมามห้อยไหล่ซับพังพืดไตปอดไ ต, ด ใ, ตใหญ่ไตน้อยอาหารปอา่อาหารไม้อาดเก่าไปที่ไหนก็เอาดินไปด้วยก็เยียบแผ่นดินไปเองตายแผ่นดินไปเองจะขึ้นไปสูงขนาดไหนก็ขี่ขี่ดินขึ้นไปเช่นขี่เครื่องบินขึ้นไปฟ้าอย่างนี้ก็เหมือนกันธาตุที่เป็นลักษณะของแข็งก็ก็เป็นดินด้วย ขี้ดินก็เอาไปด้วยคือผมผลได้ฟันนั้งเงิกระดูกกันนั่นธาตุน้ำก็เอาขึ้นไปด้วยธาตุไฟก็ขึ้นไปด้วยที่นี่ธาตุไฟกิเลสก็ไปด้วยถ้าผู้มีกิเลสถ้าผู้ไม่มีกิเลสมากก็ไม่เอาขึ้นไปมากผู้มีกิเลสน้อยก็เอาขึ้นไปน้อยธาตุไฟราคะโทสะโมหะเป็นธาตุไฟอันละเอียดธาตุไฟธรรมดาเป็นธาตุไฟหยาบ ทำไมโลกจึงแห้งแล้งแท้ก็พระเทวบุตรเทวดาไม่นิยมชมชอบไม่น่าสรรเสริญเพราะชาวโลกอยู่ห่างไกลจากพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์มุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตัวประโยชน์ส่วนรวมไม่มุ่งเลย เห็นแต่กระเป๋าตัวเองชาวโลกคนอื่นจะเป็นยังไงก็ช่างหัวมึงเพราะอะไรเพราะขาดเมตตาปราราธิบาผทผู้ที่จะรักษาปราราธิบาทได้ก็พราะภูมิผู้มีเมตตา อทินนาทานก็เหมือนกันตาเวสเวชาชานก็เหมือนกันมุสาก็เหมือนกันสุราก็เหมือนกันเชื้วัตข้อต้นเป็นของสำคัญมากคนที่ค่ายุงได้ก็สามารถถ้าข้าตักแตนได้ถ้าค่าตักแตนได้ก็สามารถใหญ่กว่านั้นไปเอง ถ้าสามารถฆ่าเป again, うう็ดฆ่าไก่ได้ก็สามารถฆ่าหมูฆ่าหมาได้ถ้าฆ่าหมูฆ่าหมาได้ก็สามารถฆ่าคนได้สามารถฆ่าโคฆ่ากระบือได้ถ้าฆ่าโคฆ่ากระบือได้ก็สามารถฆ่ามนุษย์ได้ถ้าฆ่ามนุษย์ได้ก็สามารถฆ่าบุคคลผู้มีคุณได้ฆ่าบุคคลผู้ม right ีคุณได้ก็สามารถฆ่าวิรามัรดาภิกภษสมณเณรได้เป็นลำดับนั่นฆ่าให้คนอื่นตาย แต่ว่าเราก็ตายจากเส้นธรรมเอกด้วยก็จับว่าเข้ากับว่าค่าเรารักของท่านผู้อื่นก็เท่ากับว่ารักของตนพ่อเวียนไทยก็จะตามมาถึงเขาจะรักของตนเองเหมือนกันน่ะค่าคนอื่นก็เท่ากับว่าค่าชีวิตของเราเพราะมีอายุสั้นนั่นพวกที่มีอายุน้อยก็คือพวกเบียดเบียนสัตว์แต่ชาก่อน หรือในพัจจุบั น, นชาติอายุยืนแต่ถ้าว่ามีโรคเบียดเบียนมากกอพระเบียดเบียนสัตว์ให้ถึงทุกพรรันระยะทุกลำบากเคี่ยนด้วยตีด้วยสารพัดแต่ไม่ถึงกับทำให้ตายมากแต่ก็ต้องมีโรคมากผู้จะเกิดตระกูลสูอเดี๋ยวเดี๋ยว ผู้มีอะไรไม่มีคนเคารพเขาคอยแต่จะรักศบจกหอก็เพราะโทษอธินนาทานเคยรักเขาเพราะเคยสร้างเวรไว้เวรธรรมนีเวรมณียังไม่ทันได้เวน้นผู้ที่ไปทางไหนมีแต่คนชอบต้มตุนก็เพราะเคยพูดโมสามักลืมมักหลง ก็เพราะโทษของสุราเมระยะศีลแต่และข้อและข้อมันปิดเวรแต่และข้อและข้อมือนกันศีลังโลเก อ, อนุตตาโลศีลเป็นเยี่ยมในโลกก็คือเป็นเยี่ยมในโลกหัวใจนั่นเอง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 เมื่อมีอันหนึ่งมันก็มีอันหนึ่งหมดถ้าเมื่อมีอันหนึ่งมันก็ไม่เชื่อมโยงถึงกันการรักษาศีลรักษาความโหดร้ายการให้ทานบริจาคทานบรรเทาความตันนีน่งแน่นการภาวนาบรรเทาความหลงจนถึงให้เหยียดแห้งหายไป ถ้าชนะความหลงแล้วก็ไปในมาหลงเองความหลงเป็นของละเอียดมากจะบทันนาความหลงแต่เนี่ไปจนถึงวันตายมันก็ไม่จบหลงหูหลงตาหลงจมูกหลงลิ้นหลงกายหลงใจหลงธรรมารมณ์หลงเดินยืนหลงเดินหลงนั่งหลงนอนหลงนึกหลงคิดหลงพูดหลงลาบหลงยศหลงสรรเสริญหลงสุขหลงทุก หลงอุเบกขาหลงอดีตหลงอนาคตหลงปัจจุบันหลงนึกหลงคิดความหลงเป็นเป็นกิเลสละเอียดมากถ้าชนะความหลงในสิ้นเชิงกิเลสทางละทางหลายก็ดับไปโดยสิ้นเชิงความหลงในชั้นพระโวสดาวันหลงอัญญาบ ไม่ได้หลงว่าจะล่วงละเมิดชิ้นห้าไม่ได้หลงว่าจะเล่นอบายามุกไม่ได้หลงว่าจะถือศาสดาอื่นไม่ได้หลงว่าจะขอดเวรกับท่านผู้ใดไม่ได้หลงว่าจะยินดีในศาสดาอื่นตระสกทาคามีก็เหมือนกันส่วนพระอนาคามีไม่ได้หลงว่า จะมีความโลภอย่างหยาบๆไม่ได้หลงว่าจะเสียดายความโกรธเห็นโทษอย่างเต็มที่ส่วนพระรหันความหลงสิ้นเชิงไปแล้วไม่เสียดายอยากหลงเลยถึงจะทำให้หลงมันก็ไม่หลงเพราะชะนะมันไปแล้วท่านอยู่ในอิธิยาบทใด ถ้ามันได้ติดอยู่ในอิทธิยาบทนั้นท่านก็ไม่หวาดเสียวในอิทธิยาบทนั้นด้วยเพราะท่านไม่หวังเอาแพ้เอาชนะในอิทิยาบทนั้นๆไม่หวังเอาแพ้เอาชนะในความนึกความคิดนั้นนั้นไม่ได้หวังเอาราบเอายศในความนึกความคิดนั้นนั้นเป็นเรื่องสังขารตรงๆไม่ได้หวังจะเอาแพ้เอาชนะในความนึกความคิดนั้นนั้น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 นึกคิดไม่ได้ติดในนึกในคิดพูดไม่ได้ติดในพูดไม่ติดในสรรเสริญในยนยินย อ, ยอไม่ติดในสุขทุกอุเบกขาใดใดทั้งสิ้นท่านผู้พนไปแล้วไม่ได้ระวังเลยเพาะไม่เสียดายอยากจะถือเอาจะระวังทงําไมถ้าเสียดายอยากจะถือเอาก็เกรงว่ามันจะหลุดมือนี่ไม่ได้สำเสียดายอยากจะถือเอาอะไรมันก็ไม่เกรงว่ามันจะหาย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 พวกเรายังมาทันพ้นไปก็สําคัญคันอั น, นั้นอันนี้อยู่อย่างนั้นล่ะออปรุงแต่งแทงสรรอยู่ท่านไม่สําคัญตัวใดๆในที่อธิยาบทใดๆเลยจะเข้าสมาธิหรือไม่เข้าก็ตามมันก็เป็นเข้าอยู่เพราะศูนญเนี่ตาวโมกอันนี้มิตรตวโมกเอามาอปันิหิตตาวโมกเพราะจิตของท่านว่างไปหมดแล้ว ว่างจากทรัพย์จากบุคคลตัวตนเราเขาไปแล้วว่างจากความแพ้ความชนะไม่สมําคัญตัวว่าเขียนเมื่อท่านไม่สมําคัญตัวว่าเขียนท่านก็ไม่สมําคัญตัวว่าจะลบเมื่อไม่ عليه? ท่านสําคัญตัวว่าท่านได้ท pas, ่านก็ไม่สําคัญตัวว่าท่านเสียนักเมื่อไม่ท่านสําคัญตัวว่าท่านกรรมท่านก็ไม่สําคัญตัวว่าท่านวางมันเมื่อท่านไม่สําคัญตัวว่าท่านเกิดท่านก็ไม่สําคัญตัวว่าแก่เจ็บตายก็มอบเป็นเรื่องสังขารหมด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 มันเห็นไปเป็นแต่สักว่าสังขารทั้ทั้งใจโลกธาตุปัญหามันก็ไม่มีทำไฟเกิดไฟดับก็มีแต่สังขารและล้วนทำายไม่เกิดไม่ดับก็เป็นพระในพานเทิดไว้ซะท่านไม่สําคัญตัวว่าท่านอยู่ในพระนิพานหรือนอกพระในพานไม่สําคัญตนวัดอยู่ในสังขารและนอกสังขารเมื่อท่านไม่สําคัญตัวในที่ใดๆแล้วเทนี้เหตุก็ไม่มีผลของเหตุก็ไม่มี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 ตนก็มอบให้ตนตามสมมุติยมุตก็มอบให้มุติตามสมตามเป็นจริงของยมมุติถ้าไม่สอดแทรกเอายมุติไม่สอดแทรกเอาสมมติทีนี้ความสอดแทรกของท่านไม่มีวิญญาณมรดิสันที่ของท่านก็ไม่มีท่านก็พ้นไปแล้วนั่นเมื่อท่านไม่สาคัญว่าท่านได้ท่านก็ไม่สําคัญว่าท่านเสียนั่นะเมื่อไม่ท่านไม่สําคัญว่าท่านดีท่านก็ไม่สําคัญว่าท่านชั่วนี่นั่น แต่พระอนาคามียังมีอยู่เป็นผู้เลิศกว่าเขาสําคัญตัวว่าเลิศกว่าเขาพระอนาคามีเป็นผู้เลิศกว่าเขาสววํ า, ส า, า, าสคัญตัวว่าเสมอเขาเป็นผู้เลิศกว่าเขาสําคัญตัวว่าเรวกว่าเขา่เป็นสามขอ้อ